กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพเช่นครั้งที่ แรมบาลค่ะขอขออนุญาตท่านนะคะวันนี้ก็ยินดีมากเลยจริงๆอันนี้เป็นประเด็นที่ดีเพราะ แล้วก็มีเวลาก็จะมาสอบถามอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะอืมก็ต้องกราบเรียนท่านนะค่ะใช่สาคัจฉา ที่จะทําให้อ่าดําเนินชีวิตได้อย่างมีๆกลับมาทีดิฉันขอคือเรื่องเกี่ยวท่านอาจารย์ว่าสําหรับพระพุทธองค์ ควรจะรู้จักตัวเองเช่นไรอืมของพระศาสดาเนี่ยค่ะจะเป็นเช่นไร แล้วก็ดูว่าเอหน้าเราเนี่ยมีสิวมั้ยมีตอมมั้ยมีตุ่มมั้ยนะถ้ามีก็ มีเครื่องรู้เห็นว่าวาระจิตคนหนึ่งคิดยังไงคุณต้องฉลาดจิตเนี่ยคุณ 1 อ่าข้อที่เรเร 2 เรามีชีวิตอยู่โดยมากโดยมีจิตพยาบาทหรือมี 3 มีชีวิตอยู่ 5 อย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ 5 นะอันนี้ 5 อย่าง นะ 8 ก็มีกาย 9 ก็เป็นผู้ นะ, 10 นะก็คือเป็นผู้มีจิต 10 อย่างนี้นะเราต้องตรวจดู นะหรือเปลไม่เหมือนคนเอาดูกระจกทีนึงก่อนค่ะนะทหารตำรวจเค้าแต่งเครื่องแบบปุ๊บเค้ามีกระจกบานใหญ่ๆ10 อย่างเป็น 10 อย่างจิตล้วนๆใช่ ถามว่ามีชีวิตอยู่โดยมากเพ่งเล็งหรือไม่อืมเพ่งเล็งอะไรนั้นจงมาเป็นของเรานะเพ่งเล็งละค่ะอ่านี่คือคืออยากได้ของ คุณไปกินข้าวคุณก็ไปเอาเงินซื้อข้าวกินแต่เพ่งเล็งนี่คือกินข้าวแล้วจ้องจะเอา มักโกรธหรือไม่มักโกรธมีจิตเศร้าหมองค่ะ 3 อย่างที่อาตมาพูดไปก็คืออภิชฌานอนนี่มา 3 อย่างแรกอ๋อทินนามิตะนี่มาเป็นชุดค่ะอ่าใช่สงสัยซึ่ง 5 อย่างแรกเนี่ยคือเจ้า 6 ก็ เครือเครือแข็งใครล่ะคะเครือแข็งในคําสอนในพระ พุทธประtam ประสงค์ แหมความเคลือบแคลงความเห็นแย้งเนี่ยคือเห็นแย้งคือเคลือบแคลงในพระพุทธธรรมดิฉันยังว่าเกิดน้อยนะคะแต่ถ้าเคลือบแคลงในพระสงฆ์รู้ค่ะอันนี้ นะทีนี้เรื่องกายอีกเหมือนปี 20 ปีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเมื่อก่อน นะก็เห็นถึงความเสื่อมป้ายความแห้งมันไปนะถึงประเด็นที่คุณโยมติดตามว่าอ่าพระพุทธ นะคือเรื่องของมรรค 8 อย่างนี้เป็นต้นอริยสัจ 4 อย่างนี้คือธรรมะถูกมั้ยค่ะทีนี้ถ้าเราเอาเอ่อชอบนะเราไม่ได้ ว่าเข้าไปในใจเข้าไปในใจนั่นน่ะคุณมีพระสงฆ์อยู่ในนั่นน่ะคือพุทธะพุทธะคือความรู้ถูกมั้ยเป็นอย่างงี้วาบหนึ่งวาบ นะแล้วถ้าคุณมีความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นค่ะและ เพราะฉะนั้นไม่ว่านะธรรมมรรคของพระเจ้าเนี่ยคุณโยมติวเป็นค่ะก็ ในส่วนของฟุ้งซ่านเคลือบแคลงระแวงแล้วจะทําให้เราเป็นสงฆ์อยู่ในความหมายเมื่อนํามาปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วจะ เช่นเช่นบางคนจะคิดว่าเอ๊ะฉันจะทําแบบมันจะได้เหรออย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าคุณมีความ กับข้อที่เหลือที่ว่าให้ส่องกระจกรู้จักตนเองข้อ นั่นเราควรจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้อย่างน้อยเราอ่าจิตของ<ใช> นะคือเผลอสติว่างั้นนะเผลอสตินี่ไม่ดีแน่นอนนะเรียกว่าเป็นผู้ประมาทนะถ้าเกิดเป็น นะคุณจะมีสติอยู่ในสิ่งที่คุณทําก็ได้อ่าที นะคือบางคนรู้ว่าจิตตัวเองอยู่เออฉันมันฟุ้งซ่านน่ะคือถ้าเราทํามีสติแล้วๆเลยค่ะอืม ถ้าเราไม่รู้จักวาระจิตตัวเองเนี่ยเอ่อไปในปัจจุบันเราก็อยู่ในเป็นทุกข์นะภพต่อไปคุณไปเกิด เกิดมาในพระพุทธศาสนาของพระตถาคตแล้วได้รู้ว่าเราควรๆหรือคร 2 ครั้งเดียวค่ะท่านคะดีดีมากๆเลยถ้า จะดูแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญญาอะไรขึ้นมาต่างกับการที่สาวๆดูหลงรูปตัวเอง งานครั้งก็อ่าเป็นประโยชน์ๆนะคะ<ใช>